เราถูกลกมันดึงดูลงมากิเลสมันสร้างพื้นฐานสร้างอำนาจสร้างความบึงดูดไว้ภายในใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันนี่คือฐานแห่งความดึงดูดฐานแห่งกำลังของกิเลส ที่จะดึงดูดสัตว์โลกไม่ให้พยูตเยอะตัวขึ้นได้เลยไม่ว่าจะคิดอ่านไตรตองทางใดขึ้นชื่อว่าความดีแล้วถือมันดึงดู ด, ด, ดหรือเหนียวั้างเอาไว้จนได้อำนาจของมันดุเด็ด แต่เราไม่ทราบว่าสิ่งนั้นี้มีอำนาจเพราะยังไม่มีคู่แข่งมันมีอันเดียวกเกิดมาก็ด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เกิดความเป็นอยู่ความเคลื่อนไหวทุกอย่างอยู่ด้วยอำนาจแห่งความดึงดูดของกิเลสทั้งมวลไม่มีสิ่งใดมามีอำนาจดึงดูดแฝงกันเข้ามาหรือเป็นคู่แข่ง กับสิ่งที่กล่าวนี้เลยสิ่งนี้จึงมีอำนาจทำหน้าที่แต่ผู้เดียวอยู่ในหัวใจสัตว์โลกทั้งที่สัตว์โลกก็ไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องกดถ่วงหรือบงังกดขี่บังคับอยู่เวลานี้ ไม่มีทางทราบได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกรายใดหรือขั้นใดภูมิใดรวมหมดทั้งสามแดนโลกขระถาดนี้ไม่มีผู้หนึ่งรายใดที่สามารถที่จะสามารถทราบความดึงดูดหรือกำลังของกิเลส ซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากเกินกว่าสามัญชนเราจะทราบได้ในความเป็นข้องหมัดด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นความประเสริฐและอัจฉจ ร, รย์ของพระพุทธเจ้า ที่แหวกไหวมาตรสรู้ในแดนแห่งมหาอำนาจของวัตจักรนี้ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาและปราบธรรมชาติที่มีอำนาจกดท่วงจิตใจหรือดึงดูดจิตใจนี้ให้หมดสิ้นไปจากพระไัยได้นำอุบายวิธีต่างๆ ทั้งฝ่ายโทษเพราะความกดขี่บังคับของกิเลสทั้งฝ่ายคุณคือทำเครื่องชำระซักฟอกหรือปราบปรามกิเลสให้สัตว์โลกทั้งหลาได้ทราบโดยลำดับลำดาตั้งแต่ปฐมมสาวกจนกระทั่งพุทธบริษัทหรือสัตว์โลกทั่วทั่วไปย่างกว้างขวางไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้า โดยเหตุนี้คำว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนั้นจึงเป็นสิ่งที่สะเทือนใจมากมายเพราะเป็นธรรมชาติที่หายากเราคิดดูว่าสัตว์โลกทั้งสามทกนี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดารายใดจะแวกว่าโดยลำพังตนเองให้หลุดพ้นจาก มหาอำนาจแห่งวัตจักรนี้ไปได้แม้แต่รายเดียวมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกแต่ทรงพยายามมาโดยลำดับลำดาจนวราระสุดท้ายดังพระพุทธเจ้าของเราคงปัจจุบันเป็นตัวอย่างเพียงพระชาติปัจจุบันนี้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 เวราเสร็จออกทรงหนวดแล้วตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกไปต่รับความทุกข์ความทรมานแสนสาหัสจนถึงขั้นสลบสลายจะเป็นแหละจะตายแหลแล้วก็ฟื้นพระองค์กลับคืนได้จนปราบมหาอำนาจที่กดถ่วงผพาในประทยให้สิ้นซากลงไป กลาเป็นพระพุทธทเจ้าขึ้นมาทั้งองค์นี่ยากขนาดใดเพียงพรชาติปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครจะกล้าแข่งได้แล้วพูดถึงเรื่องความภาคเพียรความอดความทนความทุกข์ทรมานในการประกอบความภาคเพียรทุกประโยุก์ตั้งแต่สถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องอาศัยที่เรียกว่าปัจจัยสี่ไม่ มีความสะดวกสบายในพระกายและพระไทยของพระองค์เลยเหตุใดจึงทรงฝากฝืนมาได้นอกจาก น, น, นั้นจะต้องเข้าห้ามหันกับมหาอำนาจซึ่งปกครองอยู่ภายในพระไทยมากีกับนับไม่ถ้วนอีกด้วยแล้วการรบจะรบอะไรการแก้การต่อสู้ สู้อะไรที่เป็นของหนักแน่นเป็นของลำบากยากเย็นที่สุดยิ่งกว่าการสู้การรบฟันหันแหลกกับีิเล็กนี้ไม่มีในสามแดนโลกธาตุนี้คือธรรมชาตินี้เป็นเอกในพระพุทธ เ, เจ้าก็ทรงสละพระชนชีพลงจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาให้ขั้นต่อสู้กว่าเพียงขั้นสลบ พระองค์ไม่ตายแต่กิเลส ต, ตายเปี้ยงไม่มีเหลือภายในภาไทยได้อุบัติเป็นศาสดาเอกขึ้นมาในโลกท่ามกลางแห่งวัตจักรซึ่งหมุนอยู่รอบตัวพระองค์นี่เราไม่เห็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้อัศจรรย์เหนือโลกแล้วเราจะเห็นอะไร ว่าประเสริฐยิ่งกว่านี้หากไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสลูและทรงสแสดงวิธีการต่างๆทั้งการละและการบำเพ็งทั้งฝ่ายโทษและฝ่ายคุณให้ทราบแล้วแม้จะมีหูกี่ร้อยกี่พันหูก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ใดมีตากี่ร้อยกี่พันดวงมีจมูกมีลิน้นมีกาย ก, ายกี่ร้อยกี่พัน ชิ้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพาะไม่ทราบจะเอานำไปใช้กับสินใดจึงจะเหมาะสมเมื่อไม่มีผู้ชี้แจงแสดงบอกในทางผิดทางถูกแล้วกายวาจาใจหรือตาหงจมูกเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายอันใด น, นี่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงไว้หมดให้รู้ การใช้ประโยชน์จากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจของตนไม่มีผู้ใดจะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในการที่จะชี้แจงแสดงบอกเครื่องใช้คือเครื่องมือของตนให้เกิดประโยชน์ริงใดที่จะเป็นโทษก็ทรงสั่งสอนให้หากห้ามตัวเองและทรงสั่งสอนห้ามไม่ให้ทำสิงใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์ นับตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งประโยชน์หรือประโยชน์เป็นพื้นๆจนกระทั่งถึงประโยชน์พระมหาศาลก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเนป็นผู้ทรงชี้แจงแสดงทุกแง่ทุกมุมโดยสวขาดธรรมตราสไว้ชอบไม่มีผิดมีพลาดคาดเคลื่อนแม้แต่น้อยเลยในบรรดาศาสนาธรรมทั้งหมดและยังเป็นนิยานิกธรรม เมื่อพระพฤทธปฏิบัติตามพระอาวาัติทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นจะเป็นเครื่องนำออกจากทุกโดยลำดับําดาจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้าด้ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องนี่เราจะเห็นได้ชัดอย่างชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความฉนาดเหนือโลกขนาดใด โดยลำพังเราที่เกิดขึ้นมาจะสมบูรณ์ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามมันก็สมบูรณ์อยู่ด้วยวัตจักรอยู่ด้วยความโงุกเขามืดบอดให้กิเลสครอบจนมืดมิดปิดตาทั้งๆ ท, ที่มีตาก็ใช้ไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้มีหูก็ฟังเพื่อกิเลสมีตาก็ดูเพื่อกิเลสจมูกลิ้นกายใจเพื่อกิเลสทั้งหมด ไม่ได้มีเพื่ออัดเพื่อทำถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสั่งสอนให้รู้จักวิธีใช้ในอนาจตนะหรือเครื่องมือเหล่านี้แล้วทีนี้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาแล้วในตำหนักตำลาก็เคยได้เรียนได้อ่านจดจำมาได้มากมายเนี่จะควรทำอย่างไรกับตนเอง ที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่เราหากพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนไปแล้วเราจะ ม, มีทางเดินเลยนี่ความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วนี้ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามร่องรอยที่ทรงสั่งสอนไปแล้วนั่นเราจะเห็นว่าผู้ใดเป็นผู้สามารถใครเป็นผู้สามารถผู้นั้นก็เป็นผู้หลุดพ้นไปได้ ถ้าเราไม่สามารถเราหาทางหลุดพ้นไปได้ตายจมอยู่ในวัตตะวันนี้โดยไม่มีการมีเวลามานับอ่านเลยเรียกว่อนันตากาลหาระหว่างไม่ได้หาความสิ้นสุดยุติไม่ได้ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามวัตจักรซึ่งหมุนอยู่ภายในจิตนี้เน่เฉพาะจากยิง่งเราเป็นนักบวชมีหน้าที่อันใดเป็นสำคัญของนักบวช ก็คือมีหน้าที่ปฏิบัติปริยัติได้ศึกษามาแล้วพอสมควรจากอุปชาอาจารย์และเรียนมาตามตำหรับตำราท่านชี้ช่องบอกทางให้ทุกแง่ทุกมุมแล้วนำมาพืปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกตุผั์ในใจของตนด้วยความอุตสาห์พยายามความขายันหมั่นเพียร น, นีจึงจะเป็นการถูกต้องตามทางเดินของพระพุทธเจา้าและสาวกทั้งหลายที่ดำเนินมาแล้ว นี่คือทางเบิกทางถากางกิเลสซึ่งเป็นตัวภายภายในใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับคือการปฏิบัติตามสัพ์สมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกพัฒนาชนพัฒนาการอะไรเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาอย่างยิ่งก็คือใจพัฒนาจิตเป็นของสำคัญยิ่งกว่าการพัฒนาใดๆทั้งสิ้น หากไม่ได้พัฒนาจิตแล้วสิ่งภายนอกจะรู้ระทั้ง่างามขนาดใดก็าตามมันก็สักว่าเป็นแร่ธาตุเป็นอีกเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นถนนทุนทางไปเพียงเท่านั้นผู้ที่จะครองสิ่งเหล่านี้ก็คือผู้ที่มีไฟเผาฝานอยู่ภายในหัวใจของตนตลอดเวลาจะหาความสุขความ เ, เจริญมาจากที่ไหนความสุขความเจริญต้องหมายถึงจิตใจเป็นหลักแรกความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บการเป็นมา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 จะไม่มีอะไรมีคุณค่าเลยในโลกนี้เพราะจิตเป็นผู้เป็นตัวหมุนตัวรับสุขรับทุกข์รับความเสื่อมความเจริญรับสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าตกะเทือนตลอดเวลาห้ามความรับผอกของจิตไม่มีสิ่งนั้นจะกลายเป็นภัยทั้งทั้งมวลบรรดาที่มาสัมผัสหากจิตได้รับการพัฒนาตนพอสมควรและพัฒนาให้มีหลักปรีเจณฑ์จนกระทั่งถึงเป็นพัฒนาขั้นสุดยอด ถึงความมือสุดวิมุตต์หลุดพ้นภานจิตใจแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นการพัฒนาแนะนําสั่งสอนใครก็เป็นอัดเป็นทมเป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงล้วนๆเพราะออกมาจากใจซึ่งเป็นของจริงล้วนๆตั้งตัวได้แล้วโดยสมบุตรไม่มีอะไรผิดพลาดคาดเคลื่อนเลยฉะนั้นการพัฒนา จ, จิตจิตเป็นของสําคัญเ ถ, ถูกอะไรห่มหอ่อถูกอะไรเหยียบย่ำทํำลายอยู่ทุกขณะจิต กิดปรุงออกเรื่องใดมีตั้งแต่เรื่องปืนเรื่องไปเรื่องขิ้เดตั้หาราคะความโมโหโทโสความโลภขัดความหลงล้วนแล้วตั้งแต่เป็นปืนเป็นไฟอันออกมาจากเรื่องของขี้เด็ทั้งหมดหากไม่แก้ไขแดัดแปลงไม่ทำร้าวล้างสิ่งเหล่านี้จะจัดว่าเป็นการพัฒนาจิตใจได้อย่างไรก็เป็นการพัฒนาขิเลสให้มากมูลขึ้นโดยลำหนับเท่านั้นแล้วหาผลประโยชน์อะไรที่จะเกิดขึ้น พอให้เป็นความอบอุ่นชื่นใจภายในตัวของเราเองทั้งเวลาเป็นอยู่และตายไปหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เวลานี้จึงควรสร้างหลักเกณฑ์เสียตั้งแต่บัดนี้เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเป็นผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาจะสร้างหลักฐานมั่นคงให้แก่จิตใจของตนเรียกว่าเรือนใจเริ่มตั้งแต่ศีลให้มีความบริสุทธิ์ยาได้ให้ตําหนิตนมากศีลด่างก้อยศีนไม่บริสุทธิ์ด้วยเจตนา และในขณะเดียวกันต้องมีความระมัดระ ว, วังเสมออย่าให้ศีลใดด่งเพราะหรือขาดทะลุไปเพราะความเผลอความไม่มีสติสตังต้องรักษาจากนั้นก็เริ่มทางสมาธิจิตไม่มีความตั้งมั่นจิตวอกแวกคลอนแคลนเพราะอะไร ก, ก็เรบบพราะกิเลสทําให้วอกแก่คอนแคลนกิเลสให้ตั้งตัวไม่ได้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าทิ่จิตตั้งตัวเข้าสู่ความสงบมาได้เพราะข้าสึก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 นักก็ต้องต่อสู้ในขณะนั้นเช่นเดียวกับ น, นักมวยเขาต่อกันบนเวทีไม่มาคำหนึงถึงเรื่องคําหนักไปเบาไปความเมื่อหิวอ่อนเพียมุ่งตั้งแต่ที่จะให้ชนะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมีผู้ปฏิบัติคําจัดกิเลสซึ่งเป็นตัวฆ่าสื่บพานในจิตใจก็ต้องมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นความทุกข์ความยากความลาบากในการต่อสู้ต้องถือเช่นเดียวกับนักมวยก็ต่อสู้กันบนเวทีเวลาเสร็จสิ้นลงไปแล้ว เมื่ออ่ อ, อนเพียอะไรค่อยปฏิบัติบำรุงหรือรักษากันพักผ่อนดอนตัวกันได้ไม่ยากสิ่งเห่านี้ในขณะที่ต่อสู้ต้องเอาจิงเอาจังค่าศึกอยู่รอบด้านฝังจมอยู่ภาณในจิตใ่ด้วยแสดงออกมาอันใดจึงเป็นลวดลายของค่าศึกทั้งมวลลวดลายแห่งธรรมไม่ปรากฏเลยเราจะหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสอนไวสอนไวที่ไหนลงที่จุ ด, จดไหนเป็นจุดสาคัญ ก็ลงที่ใจเพราะใจเป็นกองฟืนกองไฟราคักกินาไฟคือความกำหนัดยินดีโทษสักกินาไฟคือความโทษความโกรธความโามโหโทโสโมหกกินาคือความร่มหนงง่มมายสังจุปภายในจิตนี่เหล่านี้ล้วนตั้งแต่กองฟืนกองไฟใจร้อนก็ร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ร้อนเพราะทำอะไรร้อนเพราะกิเลสต่างหาเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยวิริยธรรมขันติธรรม คามภาคเพียนความอดความทนสติธรรมความมรื่นรู้ตัวอยู่เสมอปัญญาธรรมคือความรอบตัวในความคิดความปรุงของตนซึ่งความคิดใดที่เป็นไผยความคิดใดที่เป็นกุลพิณิพิจารณาไก่กรองและตัดฟันหันแหลกกันออกอยู่โดยสม่ำเสมอนี่เรียกว่าเป็นทานความเพียรทุกอุบายบทของผู้เคลื่อนไหวทางด้านจิตใจแม้จะยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ตามเว้นตลับเท่านั้นเรียกว่าเป็นความเพียรทั้งหมด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 ให้มาโดยลําดับลําดาจกนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์สมบูรณ์ได้ ท, าท่านจึงสอนอยู่ในฐานะที่ควรเป็นไปได้ทั้งนั้นไม่เช่นนั้นท่านไม่สอนในส่สุขคาธรรมทั้งมวลเป็นฐานะทั้งนั้นไม่ใช่เป็นอัฐานนะคือเป็นไปไม่ได้คือเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ท่านเป็นไปได้แล้วชาวโทุกทุกองค์เป็นไปได้แล้วทั้งนั้น ธรรมนี่จึงธรรมจึงเป็นธรรมที่ออกมาจากฐานะที่เป็นไปได้แล้วทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลเหตุใดเรานํำมาขึ้นปฏิบัติจึงเป็นของไม่มีไม่มีน้ํำยาธรรมก็สักแต่ว่าธรรมเมื่อเข้ามาสู่ตัวของเราแล้วก็กลายเป็นธรรมไม่มีน้ํำยาเพราะอะไรเพราะถูกกิเลสตี อ, อลาหตกลายเป็นคนไม่มีน้ํำยาความเพียรก็สเสื่อซ่าซไม่มีสติสตังเป็น เครื่องเคื่องอมัดระวงรังจิตใจเลยใจจะหาความสงบได้ที่ไหนหากสงบด้วยอำนาจของกิเลสโดยไม่ต้องบังคับบรรชาคนเราก็มีสมาธิด้วยกันทุกคนแต่นี่ก็เพราะกิเลสนั่นเองมันทําลายมันดุ่ยแย ก, ก่อขวนถ้าเป็นน้ำํำขอหาเวลาสงบใส่ไม่ได้มีแต่ขุนเป็นตมเป็นโคลนเพราะการรบกวนด้วยก่อขวนของกิเลสนี่เราจะพยายามแก่งตองจิตใจของเราให้มีความสงบด้วยสมาธิ ท่านผู้ใดเคยใช้ทํำบทใดในขั้นเริ่มแรกของการปฏิบัติเห็นว่าถูกเจติดนิสัยของตนก็พึงนําทําบทนั้นมาใช้มาบริกรรมอย่างเอาจริงเอาจังด้วยความมีสติให้ถือว่าในโลกนี้ไม่มีอันไดมีเฉพาะงานที่กําลังทําและรับรู้กันอยู่นี้เท่านั้นเช่นบริกรรมคำใดก็ตามเช่นพุโทโธพุโทโธก็ในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่พุโทโธอันเดียวที่สัมผัสสัมพันธ์นกันกับใจอยู่นี้เท่านั้น ไม่สนใจกับสิ่งใดความนความคิดว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีการนั้นเป็นอย่างนั้นการนี้เป็นอย่างนี้สถ า, านที่นั้นเป็นอย่างนั้นล้วนแล้วตั้งแต่จิตแสดงตัวออกไปด้วยความคลึกขนองไม่คำหนึงถึงงานทั้งตนไม่สนใจต่งานทั้งตนจึงทําให้เรื่องนามันยุ่งเหยิงมุน่นหายไปตลอดทั้งๆงที่จะทําให้เป็นสมาธิเลยไม่เป็นสมาธิไปได้กลายเป็นความลอยลมไปก็เพราะความปรุงความคิดของจิตที่ไปคิดว่าภาพอนนั้นภาพอันนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อควนตัวเอง ฉะนั้นจริงให้มีอันเดียวเท่านั้นเป็นความถูกต้องเหมาะสมที่จะยังจิตให้เป็นสมาธิได้โดยถูกต้องไม่สงสัยคือให้มีอันเดียวเรวกําหนดลมอานาปาณสีคุลมหายใจเข้าออกก็หมดตั้งแต่ไรโลกธาตุเข้ามาสู่วงแห่งกายทั้งเราไม่มีอะไรปรากฏแต่ลมกับความรู้ที่สัมผัสกันเท่านั้นให้มีเท่านั้นในความรู้สึกนั่นแหละคือพูดตั้งหน้าตั้งตาทำงานในวงปัจจุบัน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 ได้รับความทุกข์ความร้อนแทบจะเป็นจะตายเรียกร้องหาความช่วยเหลือก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นจึงหาความสงบไม่ได้ภายในจิตมีให้ทราบไว้เสียตั้งแต่บัดนี้และพยายามทําดังที่กล่าวมานี้จิตจะเหนืออํานาจของสติไปไม่ได้ต้องยังเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วเราจะเห็นทั้งคุณ คุณแห่งความสงบของจิตและเห็นทั้งโทษแห่งความพุ่งสร้างวุ่นวายที่ยังไม่สงบแต่ก่อนค่ามพารามกันไปในขณะนั้นแล้วจะอย่างความเชื่อลงในผลที่ปรากฏอยู่แล้วนั้นและถ้าอย่างความเชื่อลงในผลที่ปรากฏผ่านไปแล้วแล้วความเพียรก็จะหนักแน่นขึ้นโดยลําดับลาดาสมาธิที่เคยได้ยินแต่ชื่อในตำหนักตาราจะมาปรากฏขึ้นที่ใจดวงสงบตัวด้วยอํานาจแห่ง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 เกิดแกเก็บตายออกหมดโดยชิงเชิงแล้วไม่ต้องถามหาพระนิพพานถามหาทำไมเวลาทุกเกิดขึ้นเรายังมาเห็นไปถามใครมันยังรู้ทุกเกิดขึ้นมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆยังประจักษ์กับใจของเราใจอะไรจะไปรู้ยิ่งกว่าใจในโลกทานนี้ไม่มีอะไรรู้นอกจากจิตเท่านั้นเป็นผู้เฉลียวฉลาเป็นผู้รู้รับทราบตลอดเวลา นี่เมื่อทุกข์เกิดขึ้นใครจะไปถามว่านี่คืออะไรแมร้แต่สัตว์กันยังร้องลั่นกระเทือนป่าไปหมดเพราะทุกข์เดียเดเยยนเจ็บปวดทนอยู่ไม่ได้จึงต้องร้องร้องจนหมดลมหายใจจนตายไปนี่เขาไม่เห็นถามว่าทุกข์เป็นอย่างไรแล้วทุกข์ที่เกิดภายในหัวใจของเราเพราะมหนาที่เรยมันสร้างขึ้นมาทาไมเราจะไม่รู้ จิตเป็นธรรมชาติที่รู้เท่านั้นมีหน้าที่ที่รู้โดยถ่ายเดียวทําไมจะไม่รู้ทีนี้ เ, เมื่อชำนาญ จ, จ, จิตที่เลียดออกจาก จ, จิตโดยสิ้นเชิงแล้วทําไมจะไม่รู้ว่ากิเลสหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วทุกสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วโดยประการทั้งปวงคำว่านิพพานังปรมามังสุ ข, ขงังถามมาที่ไหนเมื่อจิตได้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวลเพราะกิเลสสร้างขึ้นมาแล้วก็ บรมสุขไม่ต้องถามก็เป็นขึ้นพานภายใตัวเองนั่นแหละเพราะจิตพร้อมที่จะเป็นความสุขอยู่แล้วถ้าควาได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของพอประมาณและได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของอย่างเต็มที่เต็มฐานจิตจะแสดงความแปลกประหลดอัศจรรย์ขึ้นมาให้เห็นประจักษ์โดยไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนเลยในโลกทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าวิเศษก็วิเศษเพอจิตบริสุทธิ์ด้วยการชำระพระสงฆ์สาวกพิเศษ ที่เป็นสาส น, นาของพวกเราก็พิเศษเพราะได้รับการชำระด้วยอจัจด้วยทำโดยถูกต้องจริงที่เป็นสมมุติทั้งมวลอันก่อให้เกิดเป็นค่าศึกอยู่มาแล้วไม่เล่าได้กระจายชีพหายไปหมดภายในใจนั่นท่านเหล่านี้องค์ไหนท่านถามหานีนผ่านมีองค์ไหนบันนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองสุดท้ายปรากฏในตนลัตันลาว่าองค์ไหนยัง เมื่อถึงขั้นบิมุตดดูดพ้นไปแล้วยังต้องถามหานิพพานอีกมีองค์ไหนไม่เคยปรากฏนิจจ บ, บรรลุอรหัตตะผลอรหัตผลแล้วแล้วเท่านั้นเท่านั้นท่านไม่ไปถามหาเรื่องมรรคผลนิพพานที่ไหนนิพพานเป็นยังไงถามมาอะไรเพราะมีกิเลสตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นค่าศึกต่อความสุขอันเป็นที่พึงพอใจพอกิเลสได้สิ้นประจากษ์ใจได้เท่านั้นความสุขเป็นที่พึงหวังลึื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 ถ้าเรามันเป็นหมายไปยึดไปถือให้เป็นความเข้าใจผิดของจิตที่เป็นตัวสมูทายนี้นี่แล้วสิ่ ง, งนั้นจะไม่เป็นสมูทายสิ่ ง, งนั้นจะไม่นํามา ซ, ซึ่งทุกข์แก่เรานอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้อุตริคิดไปในแง่ต่างๆสําคัญมั่นหมายผิดว่าถูกถูกว่าผิดไปแล้วก็รูปคำประจุมี่จุดหยึดเอาทั้งฝากทั้งน้ําทั้งฟืนทั้งไฟมาเผาลนตนเองนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมีใจดวงเดียวนี้ปัญญาจริงต้องให้ เข้าใจในสังขารความคิดความปรุงของตนตัวนี้เราเป็นเจ้าเรื่องสัญญาัสังขา น, นี้สําคัญมากดูโดยลําพังก็เป็นได้ส่วนบิญญาณยังอาศัยการรับทราบทางรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นคาจิตก็รับทราบเป็นระยะระยะแล้วสร้างมโนภาพเป็นสังขารเป็นสัญญาขึ้นมานั่นคืะปัญญา รู้รอบในกองสังขารมั้นคิดมันปรุงอะไรตีกระจาให้แตกที่พระพุทธเจ้าท่านตีแตกหมดด้วยปัญญาทําไมเอาปัญญามาแบกมาหาไม่ทำไมหูงต้มกินก็ไม่ได้ปัญญาไม่ใช่ฐานหน้าที่จะไปหูงต้มแกงกินเป็นฐานะในการใช้ด้วยความพินิจพิจารณาให้รู้เรื่องของตัวแต่พอย่างยิ่งเรื่องของกิตคิดเรื่องอะไรบ้างตาหูจมูกทิ้งกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใด ดีหรือชั่วผิดหรือถูกประการใดปัญญาพิ่นิ่พิ่เจรณาเข้ามาให้เห็นชัดเจนเพราะอย่างยิ่งภาในร่างกายของเราดูให้ดีภูเขาทั้งลูกเรายัางดูรอบเดินรอบทําไมร่างกายชิ้นเล็กๆเหล่านี้ดูไม่รอบเดินไม่รอบด้วยปัญญาเราจะแทงทะลุปูปลงสิ่งที่ผูกพันสิ่งที่สร้างวัตจักรวัตจิตนี้ให้รู้รอบขอบคิดได้อย่างไรปัญญาต้องพิจารณา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 อันนั้นสวยอันนี้งามอันนั้นกีรังถาวรอันนั้นเป็นสุกอันนั้นดีอันนี้เลิศอะไรมันเลิศดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่ตั้งเดิมมันเอาความเลิศมาจากที่ไหนนอกจากควาเฉษสันตั้นยอของจิตที่ออกมาจากกิเลสตัวหลอกลวงนี่เท่านั้นหลอกให้เป็นอย่างนั้นหลอกให้เป็นอย่างนี้ทําเป็นก็กินแท้แล้วนําแทรกลงไปที่ปัญญา Ela. มันกีลังถาวรที่ตรงไหนหน้าสวยหน้า ง, งามห น, น้าน้หนักยินดีที่ตรงไหน แทรกลงไปตั้งแต่ผิวหนังนี่เข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในเท่าไหร่ยิ่งเต็มไปของปฏิพูลโสโคกเต็มไปด้วยปราชาผีดิบอะไรมันสวยมันงามไม่มีแต่กิเลสมันหลอกเพียงเฉยๆนี่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอาปัญญาแทรกลงไปแทรกไปเราจะเห็นความจริงไปโดยลําดับํานาเมื่อเห็นแล้วเห็นเล่าเห็นหลายครั้งหลายหนมันจะทนได้หรือฟันแล้วฟันเล่าฟันหลายครั้งหลายหนมันก็ขาดกระจายไปจากกันเท่านั้นเองนี่ความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องบอกเมื่อสติปัญญาได้อย่างแทรกลงไป ถึงฐานแห่งความจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วอุปทานถอนตัวถอนตั ว, ตวการที่ยึดมั่นถือมั่นพราะไม่เข้าใจเพราะไม่รู้พ่อสําคัญผิดถูกกิเลสหลอกลวงให้ยึดให้ถือมันก็ยึดกถือเมื่อเข้าใจแล้วด้วยปัญญาซึ่งเป็นของจริงก็ถอนอตัวออกมาได้นี่ท่านเรียกว่าปัญญาพิจารณาเมื่อยู่กับทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชหรือฆราวาสโอ้เยเจ้าสอนทำเป็น ก, นกลางกล เป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นนาไปที่นี้พิจารณามีละปัญญาถนัดปัญญาปัญญาขั้นยากก็คือพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มีรูปกายเป็นต้นปัญญาข้างกลางขั้นละเอียดลงไปก็คือนามขันธ์พวกเวทนาสัญญาทั้งขาหมินอย่างแต่ยังไงก็ตามเจ้าพิจารณาทั้งปันเกี่ยวเนื่องกันไปในขณะเดียวกันนั้นแหละเมื่อมันถึงขั้นที่จะมีเฉพาะนามขันธ์คือพวกเวทนา ภายในจิตสัญญาสังขันวิญญาณมันหนักเป็นของมันไปเองแจนกระทั่งรู้รอบขอบคิดเช่นเดียวกับรู้ส่วนร่างกายนี้แล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งสีนี้จะมีได้อย่างไรเพราะปัญญาตีแตกกระจายไปหมดแล้วคําว่าสักระบุคคลว่าเราว่าเขาว่าของเราของเขาถูกปัญญาทําลายไปหมดแล้วมันก็มีจะสักแต่ว่าเป็นความจริงความจริงแต่ละอย่างลูกก็สักแต่ว่าเป็นความจริงเวทนาสักว่าเป็นความจริงสัญญาสังขานวิญญาณแต่ละอย่างทุกอย่างสักก็เป็นความจริง ประจําตนอยู่เท่านั้ น, นเมื่อความสําคัญมั่นหมายที่จะให้ยึดให้ถือถูกปัญญาทําลายแตกกระจายหมดแล้วมันจะสําคัญอะไรแล้วก็มีอะไรจะสําคัญมีการพิจารณาพิจารณาตั้มตั้มซากซะ ก, กหลายครั้งหลายผลตั้งหลายตลบทบทวนจนเป็นที่เข้าใจเป็นที่แน่ใจแล้วย่อมปล่อยเองวางเองเราจะบังคับให้ปล่อยให้วางนี้เป็นไปไม่ได้เมื่อไม่พอเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารที่ไม่ถึง ไม่ควรแตกการจะควรอิ่มแล้วมันก็ไม่อิม่มรับทานช้อนหนึ่งสองช้อนใช้อิม่มเป็นไปมาหนา้ต้องรับทานแลเรื่อยไปเมื่อถึงขั้นอิ่มแล้วหยุดเองพอเองนี่การพิจารณาก็เหมือนกันเมื่อถึงขั้นรู้รอบขอบชิดแล้วปล่อยวางเองทั้งอุปทานในรูปประขันทั้งอุปทานในเวทนาสัญญาสังขาวิญญาขัน เข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งแทงทะลุไปถึงกิตอันเป็นตัววัตจักรวัตจักวัตจิ ต, ตดโดยแท้นั้นด้วยปัญญาทนขาดกระเด็นไปหมดไม่มีอะไรภยเหลือแล้วนั่นล่ะทีนี่หมดปัญหาในเรื่องการสู้การรบฟันหันแหลกกับยุทหล์ไปยุติกันที่ตรงนั้น นี่คาว่านิพนิพานอยากไปนิพานอยากไปนิพานก็หมดความอยากที่ตรงนั้นความอยากไปนิพานก็เป็นมรรคไม่ใช่เป็นตัณหาอยากพ้นทุกเป็นมรรคไม่ใช่เป็นตัณหาความอยากมีสองประเภทอยากเป็นโลกอยากเป็นธรรมอยากเป็นตัณหาอยากเป็นธรรมอยากเป็นมรรคเฮียความอยากหลุดพ้นจากทุกความอยากไปนิพาน สร้างกําลังทางด้านอาด้านธรรมขึ้นให้มากภายในตนเองความอุตสาห์เขาเป็นเป็นมากความเพียรเป็นมากความอดความทนเป็นมากความบึกบืนทุแกแง่ทุกมุมเพื่อความพ้นทุกเป็นมากทั้งหมดเมื่อถึงที่ถึงฐานเต็มที่แล้วความอยากก็หายไปหรือนะใคาจะไปถามหานิพานที่ไหนทําลายตัววัฏจักรวัฏจิตนั้นออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีองค์ใดบรรดาผู้ที่ ทำลายวัตจักรวัตจิตนี่ให้ขาดกรเด็นไปแล้วจะถามมาะนิพานอยู่ที่ไหนนั่นไม่มีแม้รายเดียวคําว่นานิพานนิพานก็คือชื่ออันหนึ่งเท่านั้นหลักธรรมาชาติที่แท้จริงก็ได้เห็นอยู่รู้อยู่ภายในตัวเองคร่องอยู่แล้วสงสัยไปไหนนี่นีแหละการพัฒนาจิตพัฒนาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขั้นสุดยอดแห่งการพัฒนาจิตอ้าวที่นี่ไปไหนก็อยู่ไหนก็อยู่เถอะ ดูอย่างพอตัวจิตสร้างความพอตัวให้ตัวเองโดยสมบูรณ์แล้วอยู่ไหนสบายทั้งนั้นเรื่องทาตเรื่องขันได้เจ็บไข้ได้ป่วยหัวตัวร้อนหิวกระหายก็ทราบตามเรื่องของธาตุของขันซึ่งอยู่ในกฎแห่งอนิจจังทุคติตาย่อมมีความพิดแพางเปลี่ยนแปลงไ ป, ง ป, ง ป, งปตามสภาพมันอยู่เสมอแต่ไม่หลงขันเป็นขันจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์โดยหลักธรรมาชาติไม่ต้องบังคับมันค่ะเมื่อถึงขั้น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 รู้เห็นตามเป็นจริงทั้งภายนอกภายในตลอดทั่วถึงแล้วยู่อยูเรื่องความบริสุทธิ์จะว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความบริสุทธิ์คิดอะไรก็สักแต่ว่าความคิดความปรุงเท่านั้นเที่ยว่าเป็นขันรวนรุนไม่มีกิเลสตัวใดมาเป็นเจ้าของบงการเรื่องความคิดความปรุงความสําคัญมั่นหมายต่างๆมีแต่ขันรุนรวน่นขันไม่มีกิเลสก็คือขันของท่านผู้เป็นพระอรหันต์นั่นเองหรือผู้ที่สิ้นกิเล ส, ส, ส, สแล้วนั่นแหละ ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรูปก็สักแต่ว่ารูปเบทธนาสัญญาสังขาริียานก็สักแต่อาการแต่และอย่างละอย่างใช้ไปพอถึงการถึงเวลาของมันเท่านั้นเมื่อหมดกำลังที่จะเป็นไปได้แล้วก็ปล่อยวางลงตามความกินของมันธรรมชาติที่กินเต็มส่วนทางความรูม้สุดของตัวแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหา สิงทีเรียกว่าต่างอันต่างคือการพัฒนาจิตเอาให้ยิงให้จังเวลานี้ถูกกิเลสมันดึงมันดูดมันกดมันถ่วงอยู่ตลอดเวลานอนก็จมไปด้วยกิเลสมันดึงดูดลุกไม่ขึ้ น, นติดกระหมอนกนะิเลสดูดให้ติดกระหมอนนั่งพอนากก็ลุกขึ้นมานั่งไม่ได้กิเลสมันดูดไว นั่งไม่ได้ถ้านั่งก็สับประ ง, งกงกันมันจับหัวฟัดหัวแฟงตีนนุนตีนนี่นีนตนนแต่กีเด็มันเอาทั้งนั้นแหละเรายังไม่ทราบเลยหรอว่าเราเสียเปรียบกิเลสเดินจังกลมก็เดินไปเดินมาเหมือนกับเศษพระเศษกรรมฐานหาสติสตังที่จะประคองความเพียรรักษาตัวไม่กิเลสแสดงตัวขึ้นมาต่อสู้เท่านั้นก็ไม่ได้ เ, เราจะหวังความสุขความจเจริญที่ไหน อาการใดที่ประกอบความผักเพียนมันมีแต่กิริยาพูดทํางานจริงจมีแต่เรื่องของกิเลสความเผลอเลยความไม่เอาไหนความไม่ฉลาดความโง่เขลาต่อความคิดความปรุงของตนให้กิเลสมันฉุดลากไปไม่ทราบว่ากี่ทวีปสามแดนโลกธาตุซึ่งไม่เคยเห็นจิตมันก็หลอกไปให้เห็นไปรู้ไปหมดรู้ด้วยอารมณ์ของตัวเองวาดภาพหลอกตัวเองไปเรายังไม่เรายังยอมเชื่อมันไปอยู่หรือกิเลสหลอกคนหลอกขนาดไหน ทำเป็นของจริงควรจะเชื่อทําไมไม่เชื่อถ้าเชื่อก็เชื่อความเพียรใชเชื่อทำพระเจา้าความเพียรย่อมเข้มแข็งคนเราสติสตังย่อมดีปัญญาย่อมเกิดถ้าเชื่อทำแต่เชื่อกิเลสนี่มันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหละนั่งภาวนากษัตริย์ประงกห ง, งันได้หน้าทีสองนาทีก็เหมือนจะล้มจะตายควรคางไปละถ้าจมอยู่กับหมอนนั้นทําไม่หิวข้าวแล้วไม่ตื่นนั่นเห็นไหมกิเลสมันดึงมันดูดมันกดมันถ่วงมันบีบบังคับ จนกระทั่งกระดิดตัวหาความเพี่ยนไม่ทด้เรายังว่าเราดีอยู่เลนะนักปฏิบัติไม่คิดเรื่องเหล่านี้จะคิดเรื่องอะไรต่อสู้กิเดสต้องต่อสู้อย่างนี้ที่อุบายเหล่านี้เป็นอุบายกิเลสทั้งมวลเอาถ้าท่านทั้งหลายอยากทราบให้เล่งลงไปสติมีเอาผิดขึ้นมาสร้างขึ้นมาบํารุงให้ดีปัญญาหลายมีหลายขั้นหลายภูมิที่ท่านแสดงไวนะ้ในอัตหนาธรรมจนกระทัง่งถึงมหาสติมหาปัญญาจะไม่พ้นจากหิต ด, ดวงที่ได้รับบารุงอยู่นี้เลย จะไม่พ้นจากปัญญาตัวดวงที่คิด ท, ที่ค้นพิณิพิจนาอยู่นี้จนมีความช่ำชองไปได้นี่เลยจะปรากฏขึ้นมาทั้งสติปัญญาธรรมดาทั้งมหาสติมหาปัญญาจนถึงขั้นนิมมุตดุดพ้นจะไม่นอกเหนือไปจากจิตรงนี้เลยเอาให้จริงนักปฏิบัติ่เราจมอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้นีไม่มีอะไรไมีแต่ความเกิดกเกี่ยวดตายที่แบกหามทุกไปทุกพบทุกชาติทุกขณะที่ไปเกิดที่ใดตายที่นั้นหาความถุกที่ไหนไว้ใจได้ที่ใดได้เมื่อไหร่ ความหวังเราจะสร้างที่ไหนถ้าไม่สร้างขึ้นทินเอาตรงนี้สร้างความหวังให้มันได้เต็มภูมิภายในจิตใจความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะโดยประการทั้งมวลทั้งบวงนี้เท่า น, านั้นเป็นความประเสรเิฐเลิศโลกโดยหลักธรรมชาติเองไม่ต้องมาเสกสรรกันเรื่องความประเสริฐพ่อกิเลสมันเสกสรรนั้นมันไม่ได้วิเศษอะไรหละว่ากันไปอย่างนั้นทั้งเขาทั้งเรา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 เข้าใจโดยําดับกันตาถ้แก้กันได้ปลดเปลื้องกันได้ฆ่ากันได้ไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสูตก็ตามฆ่ากันแล้วไม่มีอะไรเหลือภายในที่เดเอ้าที่นี้ไปอยู่ในหัวใจดวงใดทําไมมันจะไม่รู้ที่เดชประเภทเหล่านี้มันเคยคลองหัวใจเรามานานแล้วได้ถูกทําลายไปจากใจนี้มันอยู่ในหัวใจใดทำไมจะไม่รู้นั่นหลักเพลงของธรรมที่เดชอยู่ไหนรู้หมดเพราะได้ทาลายไปแล้วเบืยอำนาจแห่งธรรมยงสร้างจิตนี้ให้ดีพัฒนาจิตให้บริสุทธ นี่แหละความเลื่อนความเป็นเกิดอยู่ตรงนี้กุศลธรรมมากุศลธรรมมาท่านสอนให้คนฉลาดสอนให้พระฉลาดในเวลาที่ประพฤติปฏิบัติตัวอยู่นี้เวลาที่มีชีวิตอยู่นี้ไม่ได้กุศลธรรมมาเวลาตายแลย้วหรือไปหวังผลประโยชน์อะไรในกุศลธรรมมาสำหรับบุคคลที่ตายแล้ว น, นั้นในเวลามีชีวิตอยู่นี้ยังไม่ฉลาดแล้วเราจะาความฉลาดไปจากกุศลธรรมมาได้ยังไงกุศลธรรมมาที่ตั้งสวดนะพระพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดที่ตรงนี้เอาจริงให้จริงเลย นั่นก็คือบัรที่พูดถึงนี้สมาธิปัญญาไม่ต้องพูดวีมูดก็ได้ถ้าลงปัญญาเคลียงกายเต็มที่ขมามหาสติมหาปัญญานั่นก็คือสติปัญญาอัตโนมัตินั่นเองหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนัางนอนเวน้นตลับเท่านั้นเป็นในหลักธรรมชาติตัวเองเพราะความสามารถความแก่กล้าของตัวเองของสติปัญญาที่ดิบ ฝึกมาอย่างเตียงไกลแล้วนั่นทนมหาสติมหาปัญญาทิ่เลยละเอียดขนาไหนตามทันหมดจนกระทั่งไม่มีเชื่อมทีเลียดเหลืออยู่เลยนั่นแหละสติปัญญานี้จึงจะหมดหน้าที่ไปจากนั้นแล้วจะว่าท่านเป็นมหาสติท่านเป็นมหาปัญญาท่านก็ไม่ได้ว่าท่านพูดถึงที่ถึงฐานพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วท่านไม่ได้สําคัญตนท่านว่าท่านวิเศษหรือท่านเลวกว่าผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นแม้สัตว์ดิเรกชันจะตัวเล็กตัวไหนก็ตามท่านไม่ประมาท ท่านถือเป็นเพื่อนทุกเกิดเจกจัดกาด้วยกันทั้งนั้นเพราะทําเป็นของอ่อนโยนเมื่ออยู่ในจิตดวงใดจิตดวงนั้นย่อมอ่อนนิ่มไปหมดเข้าได้ทุกเม็ดินเม็ทายเข้าได้กับสัตว์ทุกประเภทไม่มีความว่าแข็งกระด้างนอกจากกิเลสเท่านั้นมันเป็นตัวแข็งกระด้างตัวที่ถีบมานะตัวเย่อหญิงเจ้าหงก็คือกิเลสถ้าทําแล้วไม่มีอ้ามันถึงจิดถึงแดนใช่ดูสูงหน่อยนะเอาแล้วอโอเคอันนี้สำเร็ ถ้าผู้ไม่สนใจมันก็เหมือนอย่างนิทานไก่แจ้อา น, นิทานอีสุบทั้งแต่สมัยเราเป็นนักเรียนเราเคยเรียนแลก็จําได้ถึงกระั่งทุกวนันทะี่มันจะจําได้จําได้ของมันเองพ่าไก่แจ้ตัวหนึ่งคุ้เจียหาอาหารไปพบพอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากจึงร้องไปเพยขึ้นว่านี่ถ้าเจ้าของขอ ง, ของเจ้ามาพบเจ้าขอแผนนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหอวแหลมตามเลย ตนนี้เจ้านม่มีประโยชน์อะไรสําหรับเราสู้เข้าสู่ข้อสามมาเลเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเขียนเลยไปในแกงเงนอื่นที่นี่สรุปความนี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านาของที่ดีมีย่อมมีประโยชน์จากผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้นน า, นานในศาสนธรรมนี่ก็เกี่ยวกับเพื่อกับพรอยแม้จะยิ่งกว่านั้นเราก็เป็นข้อเทียบเทียงกันแในพวกเรานี่ยพวกใครแก้ทั้งนั้น คุยเสี่ยไปหานั้นหา น, น, น, นี่อันนั้นดีอันนั้นดีอ่าคุยเขี่ยวลยโรบกด็ดีโกโรธกด็ดีหลงกด็ดีรักก็ดีชังก็ดีตาดำตาแดงก็ดีทุกจนอยู่ไม่ได้นอนไม่หลับจะเป็นจะตายก็ดีน่ะมันคุยเสี่ยไปอย่างนั้นที่นี่มันเป็นประโยชน์อะไรฟังที่ อันต้องเอาโพสเ พ, พรพลอยให้ได้อยาคุ้ยเขี่ยไปในแปลงของกิเลสกิเลสมันตักเสียบไว้หมดเป็นกบทเป็นน้ำเป็นฟืนเป็นไฟรอบตัวให้รู้ถ้าเป็นนักปฏิบัติถือศาสนาถือตามหลักทางบุดาเจ้าหลักธรรมนี่แหละจะเป็นผู้ที่ชี้ช่องบอกทางอะไรเป็นพิดเป็นภัยจะส่องให้รู้หมดไม่มีอะไรเกินทำแต่พาะ อ, อย่างยิ่งสติทำปัญญาทำเอาให้ดี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 ดีดีจริงๆเิงหรือพิจารณาใค่อยควรให้ชัดเจนกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้ น, น, นให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วมันจะทราบทีนี่อะไรจริงไม่จริงอะไรปลอมรู้งนั้นนี่นักปฏิบัตรู้หมายว่าสาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งอภรณิพานมีการสถานที่เมื่อไหรอยู่กับหัวใจของผู้ปฏิบัติผู้สนใจฝ่าธรรมและปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นไม่อยู่กับ ที่ไหนไหนไม่ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดแต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ว่านี้ผู้สนใจใฝ่ทมปฏิบัติธรรมมีความจงรักภักนีต่ออจต่อธรรมไม่ข้ามเกินไม่ฝ่าฝืนไม่ปีนเกลียวกับธรรมซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลความปีนเกลียวกับธรรมเพราะกิเลสเป็นข้าตึกกับธรรมเป็นมานของธรรมก็คือกิเลสนั่นแหล รบล้างทําอยู่เสมอลบล้างอยู่ภายในใจของเราเนี่ยแหละอย่าไปคิดนอกๆ อ, อันนั้นมันอยากไปให้ดูตัวตัวของเรานี่ยกิเลสตัวมารมันอยู่กับใจเราเนี่ยเราว่าเราเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแต่ความจริงจริงปฏิบัติกับกับกิเดตต่างหากทัศติปัญญาไม่ทันก็ไม่รู้เอาให้รู้นี่ที่ว่านี่จําให้ดีนะคาพูดเหล่านี้เป็นคําพูดเป็นโมคาหรือเป็นคําพูดออกมาจากความจริง เมื่อทราบเจ้าของแล้วก็จะย้อนมาทราบอันนี้เองเพชรพออยู่ที่ไหนใจรวงนี้แหละถูกที่เลยมันกบหมดมันมันออกหน้าร้านไปเสียอ่ม เพชรพลอยเลยออกหน้าร้านไม่ได้ไมีแต่ที่เดรมันออกหน้าร้านซงหมดมมหัวใจของเราเอือวันนี้พูดกันนั่นนั่นเลยแล้วพูดมานะเอาอืมกลับไปกับก็บกบกบกบกบได้